บทที่10เจ็ดซเียมสับพนามแสดงความเป็นเจ้าของสองเว้นตาอาคุลิอา я р ы เขาลืมแว่นตาของเขา ยุนซับบูสเวียอคุลเลร์เขาเอาแว่นตาของเขาวไว้ที่ไหนเจษญ о อยู่ก่อคุลเลอร์นา н ิกาดด น, นาฬิกาของเขาเสียอย о г ก д อน н ฬิกาสลายตัวนาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง นาฬิงหนังสือเดินทางภาอเขาทาหนังสือเดินทางของเขาหายยนซบิวสวอาอแล้วเขาเอานังสือเดินทางไว้ที่ไหนดยาภาษาอังพวกเขาของพวกเขา ยานีอิเด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบจิติุจนสวยบัตสูแต่นั่นพ่อแม่ของพวกเขามาแล้วอวาลิวสีดูจิฮบตกีคุณของคุณวีวาช การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิลเลอร์ยักปริช а า а าชไปยิสกับสปาร์มิลเลอร์พันรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์เจี๊ยวชารุนกับสปาร์มิลเลอรคุณของคุณวีวาชการเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธ Як пройшла Ваша п о ไ з д к а ต์กับสปาร์ดานยาชมิดสามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิดเดวัชมุชสปาร์ดานยาชมิด